การตัต้งของพระพุทธเจ้ า, าตานขันนักฟังทั้งหลายจุดเคฟังกันมาในสมัยพุทธกาลมีอานิสงส์ยังบุคคลผู้ฟังให้หายจากาความโง่กลายเป็นคนฉละ หาจากทวามรุ่มร้อนตายเป็นคนเหยียดเย็นหายจากทุกตายเป็นคนมีคามสุขขึ้นนี่คือการฟังคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราเข้าวัดเว่าฟังคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลาน้มนานและหลายท่านหลายองค์ที่นำ ทำคำสั่งสอนมาแสดงสู่พวกเราฟังพวกเราใจงกเขาเราร้อนอยู่อย่างไรโดยส่วนใหญ่มักอยากจะเป็นอยู่อย่างนั้นข้อนี้จะตัณณ์ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือจะตัณณ์เราฟังถ้าหากสังเกตเหตุผลที่จจรายนาในตนจริงจังแล้ว ทำคำสั่งสอนเป็นของดียิ่เสีดจริงแต่ผู้ฟังไม่ค่อยอยัง่งจิบนึกคิดติดตามว่าทำท่านแนะนําตั้มสอนให้เราต้องพึ่งปฏิบัติอย่างไรให้แก้ไขอะไรออกจากกายวาจาจใจของเราเมื่อเราไม่ฟังวิทยุจารยนานํนำทำเข้ามาสู่ใจของเราอย่างนั้นใจของเรา จึงมัวเมาเฝ้าฝันไปสู่เรื่องภายนอกก่อความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจะสร้างไปขนาดไหนสักกีกันกี่วันกี่คืนก็ต่างเมื่อใจของเราไม่อยู่ในธรรมธรรมต่างสอนของพระพุทธเจ้าความเดือดร้อนวุ่นวายย่อมเกิดมีเป็นธรรมดา เหตุนั้นการตังธรรมพวกเราจรึงควรกําหนดคินิติเจรนาเอาเข้าไว้ในใจของเราในต้องใจําหนดเอาสละพยันช น, นะหรือบทบาทที่ท่านแสดงออกไปทุกถ้อยทุกคําเรพเราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการแสดงย่อมแสดงไปหลายแง่หลายมุมหรือหลายรักหลายตอนเราจะไปจําเอา คำ ท, ที่แดงออกไปทุกคำย่อมไม่ได้เหลือเดียวใสของการจะเกิดจดจำแต่เพว่าให้ทีนิ้ิี่เจรนาคำที่ท่านแนะนำพัมสอนไปจะเป็นส่วนหยาดส่วนกางส่วนละเอียดก็ให้น้อมนำคำคำสั่งสอนที่ท่านแดงออกไปเข้ามาสู่กายสูว่วาจาสู่ใจข้องตนให้เป็นโอปัยุโกโ น้อมเข้ามาสู่ภายในแล้วตั้งใจละชั่วที่ท่านแนะนำํำสอนจะทำบำเพ็ญทางดีให้เทาดาคูณขึ้นในตายในใจทุงตนอย่าเป็นคนหลักลอยถึงการถึงขาวฟังกับฟังกันใจพอจบเทศก็จบในการนึกคิดติดตามเรื่องของธรรมเมื่อเป็นอย่างนั้น ในเวลาที่ฟังก็ไม่ค่อยสนใจในเมื่อเวลาจากการฟังไปก็ไม่ยินดีที่จะรายงาธรรมะจะเข้าไปสู่กายวายจาน่นใจพุ่งตนในดาเมื่อธรรมะเข้าไปสูกส่กายสู่ใจในดากายใจของเราจอมีความเหลืล่อมลอนหรือมัวหมองเป็นธรรมดาเหตุนั้นธรรมคำต่างสอนของพระพุทธเจา้าซึ่งเหตกันได้กับ หรือสงสักพอกสมุนสําหรับซักพอกของโสกระจกออกจากใจรายาจใจของคนเมื่อหากบุคคลไหนําไปซักพอกจิตใจเป็นอยู่อย่างไรก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นและจะเพิ่มเรื่องความเจ้าหมองขุนมัววุ่นวายให้มากขึ้นเพราะเหตุคือว่าเราติดตามเมื่อคิดในเรื่องที่คิดจากศีลจากธรรมสม่ําเสมอ ส่วนความกาสั่งสอนไม่ได้มุ่งคิดติดตามจิตใจจึงได้รับความร่มร้อนหรือเศร้าหมองเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลองสมเด็จพระาศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำคำสอนพุทธบริษัทผูหมึ่งหวังตั้งใจอยากจะรู้ความสุขในปัจจุบันหรือความสุขในครบแอ่หรือความสุ ข, อ, สขอย่างยื่ง พระองค์แนะนมธรรมสอนสุกในปัจจุบันกอแนะนมธรรมสอนให้บุคคลขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การ ง, งานของตนอิจารทะเยอทยานผู้แดดทนผลกระทำบำเพ็ญหน้าที่ซึ่งเป็นกิตบ้านการเรือนซึ่งจะนำสมบัติพัฒฐามานะให้เพราะ เหตุว่ากายของเราเมื่อไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีอาหารการบริโภคไม่มีเครื่องนุ่งห่มย่อมได้รับความทุกข์เป็นธรรมดาผู้ขยันมันเพียนแต่กอบจิตการงานไม่หยุดไม่ถอยไม่ว่าหนักไม่ว่าเบาเรียกว่าหนักเบาเอาสูหนักเอาเอาบาสู้ผู้ที่จะทำบำเพ็การงาน ขยันเงินเทียนอย่างนั้นสมบัติตาทพระติฐานย่อมเกิดย่อมอมีขึ้นได้ในปัจจุบันทันาา ต, ตาเมาืยอย่อได้สมบัติัพระติฐานมาก็รู้จักรักษาสมบัติพระติฐานของตนไม่ จ, จ่ายใช้สอยในทางที่ไม่เป็นสารประโยชน์นําไปใช้จ่าย ใ, ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและบุคคลผู้อื่นผู้ที่รู้จัก เก็บหอมรอมริษทรับสมบัตริรักษาไว้ไม่ให้หายไปในทางที่เลยชอบได้เสียเป็นผู้ที่รู้จักหน้าที่ของตนเก็บหอมรอมริษทรับนั่นไว้ใช้จ่าย ใ, ในเมือ่อชายจัำเป็นเกิดมีขึ้นและรู้จักนำทรัพตมบัติของตน ไม่ให้เสียหาอย่างนั้นการจัดจ่ายใช้สอยนร้อนามนามบริโภคก็พอสมควรแต่สมบัติทั้งใฐานของตนไม่เสื่อมเพลียงและไม่ให้ภูมภิใจเตินไปทรัพย์สมบัติที่ใครยันมันเชียนหามาไดา้และรักษาไว้ใช้จ่ายตามกําลังทรัพย์ของตนไม่ใช้จ่ายจนเกิดซุด้มซึ่งไร้หรือครบ หาสมาคมบัณฑิตนักกษา่าวหรือเรียกว่าสลายาณ น, นิสผู้ที่ประกอบจิตตามคําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระองค์ว่าเป็นประโยชน์ปัจจุบันทันตาพระองค์สอนให้เราเกียดขิานให้เราเป็นคนขยันหมั่นเพียรรูจ้จักหน้าที่การงานของตนเป็นผนปัจจุบันในปู่ ฟังทำแล้วไปบำเพ็ญหน้าที่ทัง้งตนอย่างนั้นคนเกียดต้านการงานไม่ว่าอยู่ในสถานที่ใดย่อมจนซักเป็นธรรมดาหากคนขยันมันเพยนถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากก็ต้องได้น้อยเพราะเหตุที่เขาขยันจะทำกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเหิดนั้น ทำคำสั่งสอนส่วนนี้พระองค์จึงกล่าวว่าเป็นประโยชน์ปัจจุบันทันตาําหรับผู้นําไปรักษาหรือต่อทีศปฏิบัติตนทำคำสั่งสอนที่พ้นไปจากประโยชน์ปัจจุบันทันตาพระองค์กล่าวว่าประโยชน์พบแน่ท่นทนทานเคยมีตรัทธาคือความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อจำเชื่อผลของจำเพราะจำคือาการแต่ทําของเรา จะทำไปด้วยทามโง่เขาหรือจะทำไปด้วยการเจตนาก่ตามง้าองค์ตาว่าเป็นกรรมการกระทำทุกอย่างการพูดทุกคาการคิดการปูุงทางใจกองเมืองกันเป็นเรื่องกรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าหากเราทำไปในทางชั่วทามชั่วเหล่านั้นแหละจะเหตุผล ให้เราได้รับความเดือดร้อนแก่ตนข้องตนหากเราคิดที่จะเรียนรีทชั่วแา่ทำบาเพ็นแต่สิ่งที่ดีความดีเหล่านั้นก็จะกลับมาสู่ตนข้องตนได้รับความสุขความาเจริญในปัจจุบันทานตาได้ผูกนิยมนับถือต่อไปข้างหน้บุญกุศลลึกความดีกรรมดี ที่เราสะสมเอาไว้ก็จะติตตนตามตัวไปให้ได้รับค้ามสุขในชาติต่อไปทุกท่านทุกคนเกิดขึ้นมามีอวัยวะเป็นหญิงเป็นชายเหมือนกันแต่เชื่อว่าสมบัติพัสถานที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆไม่มีบุคคลผู้ใดได้มาแน่แต่ตังแรงเดียวผ้าชิ้นเดียวขนาดเมื่อสองเนี้ก็มันไม่ติดตัวมา แตเหตุดใยยใเล่าคนเหล่านั้นจินต่างกันเมื่อเติบโตขึ้นมาสมบัติธาใสฐานบ้านช่องตลอดถึงความคิดความอ่านปติสัญญาวิชาทางรู้ต่างๆคิดกันเมื่อก็เพราะเหตุว่ากรรมดีช่วยสนับส น, นุนทำลงไปในระยะใดระสบจังหวะกรรมดีอำนวยผลให้จะท่าขาย ก็ได้ชื่อว่าเมื่อเวลาซื้อจากเขาราคาถูกเมื่อมาตกมือเราราคาแพงขายได้ดีกำไรงามจะทำนาทำสวนก็ศกจังหวะเต้นข้าวเต้นต้าไนไรในในาเยอ้อตะอุ่มชุ่มตาดอกผลก็ออกเม็ดออกหน่วยเต็มที่เต้มฐานของมันนี่แหละ อันาบุญปู่สนคือทำดีส่งผลให้ทำอะไรก็ถูกจังหวะได้รับความสุขความเจริญในตนของตนเหิดนั้นบุคคลที่ยากจนเขินใจไล่ทรับอัปัญญาก็เนื่องเลยว่าตามเก่าของเขาติดบังเอาไว้คือเขาไม่ทำความดีอะไรวัดในเข่าพระเจ้ามนนบทางจีนเทวนาในได้ศึกษา ไม่ได้จะทำบําเพ็ญคนเตนนั้นจึงเกิดขึ้นมาไร้ทัพย์อับปัญญาทรัพย์สมบัติจะแสวงหาจะเท่าไรก็ไม่เป็นไม่ตา ใ, ให้ปัญญาจะคิดอ่านแก้ไขความเป็นของตนก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนเ็นทรัพยสมบัติภายนอกก่อจน ส, สมบัติภายในคือ ส, สติปัญญาก่อ็น คนชนิดนั้นได้ชื่อว่าคนไม่มีวาสนาสำหรับตาราทางศาสนาสอนอย่างนั้นถ้าหากเรามีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างนี้เลือกแต่ทาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ถั่วซึ่งจะนําตัวของเราให้ได้รับความทุกข์ความอดอยากจากนเราไม่กระ ท, ำำทําบําเพ็ญสิ่งนั้นอุตส่าห์พยายามติดตามทำคุณงามความดีเรื่อยไป ชีวิตจิตใจของเราเมื่อละจากอัตรภาพอันี้แล้วก็จะไปบพบคุณงามความดีในชาติข้างหน้าผ่านจังวะจัดทาสำไปาหทาอีว่าสัมปาทาถึงช้าโดยศีลคือตารรักษาตายบายจากของศนความดงเรื่องของศีลไม่ได้ไปหามาจากที่อื่นมีอยู่ในบุคคลทั่วไปยิ่งก็มีศีล ทายก็มีศีลแต่ที่ไม่มีตก็คือเราไม่รักษาพราะศีลอยู่กับตายรายจาก์เจตนาของใจเป็นป่วละผูกงดเว้นข้าหากราูเจอเจตนาจะรักษาศีลไม่ได้ไปหามาจากที่อื่นสาเร็จขึ้นจากกายจากราจ า, าจากนา่งใจท้องตนศีลให้ผลแก่บุคคลผูกปะึบไปปฏิบัติใบเมื่อเชื่อใจ ไม่เบียเดเบียนซึ่งกันและกันมีความเมตตากรุณาสงสารกันรักใครในสมบัติทัดแต่ฐานของกันและกันไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นซึ่งกันและกันผู้ที่มีศีลจะจำตัวผันจึงว่าเป็นคนงามงามในปัจจุบันทันตาไปแต่ฐานที่ดใดเป็นผู้งามสงา่าในหมู่คณะเพราะศีล ที่ท่านรักษาทําให้ทัน ง, งามในเนี้อที่ตําหนึ่งที่ร่างกายจะชีร้ายชีเลแต่เช่อว่าศีล ท, ที่มีอยู่ในตัวของท่งทานทําให้สะอาดงามใครเห็นก็ชอบอกจิตใจเพราะไหวเนื้อเชื่อใจได้ศีลเป็นของดีอย่างนี้หากผู้ใดรักษาศีลเอาไว้ในปัจจุบันท่านตาก็ได้รับอานิสง คือปลาใสจากความเร่าร้อนปลาใจสจากความค่าร่างหายนทางปลาใสจากเรื่องต่างๆที่เขาจะหาว่าเราจะทิ้ชั่วต่อไปข้างหน้าสีนกวก่อนนำกายนามายจากพวกเราไม่เห็นเป็นคนวิบัติไม่เหเป็นคนอาพั บ, น, น, บนี่ทานเรียกว่าประโยชน์ในชาดิข้างหน้า คือสีละสัมปทาจ่าท่าสัมปทานอาศัยการบริจาคทานการกุศลอย่างพวกท่านผู้ใจร้ายชนี้ไก่ชนกระทําบําเพนมาการให้ทานทํากันอยู่ทุกวันทุกเวลาอย่างตอนเช้ากอดตะบะจังหันทํากันอยู่อย่างนั้นไม่ได้ขาดวันมีลายเสือจ่าท่าสัมปทาภายนอกคือเป็นเครื่อง สละสมบัติสฐานของตงออกแต่ทำบำเพ็ญประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นส่วนจาค่าสำประทาภายในหมายถึงสละและชั่วทางใจแต่ก่อนเราเคยโกรธหรือเคยโลภเคยหลงแต่มาได้ยินคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าโลภโกรธหลงเป็นของไม่ดีเราก็พยายามสละ โลภออกไปจากใจของเราสละวันนั้นคิดวันนี้หน่อยหลายครพางหลายหนไม่หยุดไม่ถอยโลภที่ใหญ่โตแล้วโหดฐานนึกโกรก็จาะหายไปความหลงภายในใจที่เรายึดมั่นร่างันหมายบายอย่างนั้นดีอย่างนี้ชั่วเมื่อเราที่ไม่ชิจลานาทำคำต่างสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปทั้ำลายตรรษฐานจิตใจของเราก็จะเบาบางจากความ เมื่หนานะจะมีสติปัญญาแทนความหลุ่มหลงของตนขึ้นมาภายในใจเพียดนั้นทำคำสั่งสอนส่วนนี้ทันจริงว่าเป็นประโยชน์พบหนาสำหรับผู้ที่อบรมรักษาผู้ปฏิบัติจะได้รับความสุขความจเจริญตายไปจากชาตอันนี้จะมีความสุข ในการต่อไปตายตังแต่ตายส่วนความดีที่เรากระทำบำเพ็ไว้ไม่ได้หายไมไ่ตายไปยงังติดต่อย่อยตามตัวนของเราไปสู่ภบน้อยภบใหญ่นี่แหละผู้ที่ตาดชนาความสุขในการข้างหน้าต้องพากันรักษาต้องพากันกระ ท, ทําบําเพ็ญประโยชน์ในภบหน้าเราจึงจะนมกเสียหลัง เราเลืเลือกคิดอยากได้อย่างไรอยสาทจยายามจะทำใจรายใจใจของเราให้ดีความเลกคิดที่เรามุ่งหวังก็จะสมหวังให้ถ้าหากนี่ตั้งแต่ความเลกคิดอยากได้ดีแต่การทําดีของตนไม่มีความสมหวังของตนก็จะต้องคิดหวังแต่สมหวังได้เศรษนั้นยากได้ดีต้องลงมือทําความดี ามดีนั้นนั้นจะไม่หนีไปไหนจะสะท้อนยอนเข้ามาหาตัวของเราผู่กระทรมอมเพมนี่เป็นประโยชน์เรื่องของพบหน้าประโยชน์ยางยิง่งที่องค์สมเด็จทัดผู ม, มีพรพภาจ้าทรงแนะนำท่าสอนโดยส่วนใดสอนพวกเทกสุสา ม, มาเณรซึ่งเป็นประโยชน์อันยิ่งยวดสุดยอดของการ เรียนได้ตายเกิดอีกท่านสอนเหภาวนาสำะาระกายวายจาน่านใจของตนด้วยอสติปัญญาบริกรรมทำจิตของตนที่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายสุ่งตา้านไม่มีการหยุดการถอยให้จิตได้รับความสงบเยือกเย็นลงไปพอจิตสงบเยือกเย็นลงไปตั้งได้ แม่ น, นอนแล้วชายปัญญาที่นิสิตเจริญนาอาวั ย, ยวะร่างกายของตนหรืออวั ย, ยวะร่างกายของบุคคลผู้อื่นที่นิสิตเจริญนาตามความเป็นจริงของมันอย่าใจหลงในส่วนรูปต่างๆเพราะชายปัญญาคนคิดที่จริญนาไม่หยุดไม่ถอยความหลงคล้องใจที่ถือว่อาอวั ย, ยวะต่างๆ ในร่างตายท้องตนเลยสดงดงามเมื่อแยกแยกะดูเรื่องของร่างกายจริงจังแล้วจะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนเป็นของสกปรปกโสโครกไม่น่ายินดีไม่น่ารักไม่น่าชอบใจไม่น้าจำหนักเพราะ อ, อํานาจของจิตที่ตั้งราาที่นี้พิจารณาอะไรก็จะแข่ใสพัดเกณฑเข้าไปเมื่อพิจารณเรื่องอวัยวะทุกส่วนที่เราดิ้บ มันสำคัญไหมว่าเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นเราเป็นเขาอะไรที่มันเป็นเราที่นิจจารนาผมขนและฟันว่าสิ่งเห่านี้หรือเป็นเราหากที่นิจจารณาจริงจังเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็ดเป็นฟันเขาเป็นอยู่อย่างไรหน้าที่ของเขาเป็นใจอย่างไรปัญญาย่อมเห็นชัดเจนแก่นแก่งลงไปไม่ว่าส่วนรูปส่วนนาม คันจะต้องที่นี้พี่แจน่ะเห็นจริงตามสาภาพของมันที่ว่าอ น, นิจจังคือความไม่ตั้งมั่นก็เพราะเหตุที่จะแก้ไขจิตใจของเราที่ถือว่ารายตายมันเป็นของข้องเราหรือเป็นของคงทนช้าวอนช้าหากมาที่นี้พี่แจ น, น่ะอนิจจังความไม่ตั้งมัน่น ของร่างกายจะเป็นหญิงเป็นชายก็มีการเแฉะการเจ็บการตายเสมอกันอย่างนั้นเมื่อจิตใจของเราอย่างเท่าทีนี้ที่เนาจีงจังเรื่องของร่างกายเหล่านั้นจะเห็นแยบชายเห็นเป็นของอนิจจังไม่ตั้งมั่นถาวอรเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแฉะไม่ว่าอะไรว่ส่วนใดผมจิตใจดกำ ก็จะล่วงโรยออกไปหรือหงอกขาวไปตันที่เคยแน่นหมดเที่ยวอะไรได้สะดวกสบายท่านอายุแกเข้ามาก็โยกคอนเจ็บปวดตาที่เคยใสต่อมาก็ฝ่าก่อฟังหูที่เคยฟังอะไรได้ยินเสียงแก่ใสบ็จะหนวกจะตึงเข้าไปเนื้อหนังอวัยวะทุกส่วนเป็นอนนี้จังอยงน เพื่อจะแก้ไจิตใจของเราที่ไม่เคยที่นิปิเจนาให้ตกตะลึงคือความรู้สึกส่วนนั้นบ่าห่างกายของเราทุกส่วนเป็นของที่ไม่กีรังอย่างยืนอย่างนั้นจะได้วกเวียนทิ่นิติเจนาหาของที่เสี่ยงแค่แน่นอนถ้าเกิดขึ้นในตนความจริงเมื่อมีปัญญาทิ่นิติเณนาอนิจจเห็นไปจากชัดเจนอย่างนั้น เรื่องผู้ที่มาที่นี่พิจารณาอนิจจังคือใครจะต้องสืบสอบเข้าไปอีกเหมือนกันส่อความคุ้นและตันเขาเป็นนิจจังหรืออนิจจังนั่นเป็นเรื่องของเราที่ไปพูดกับเขาเขาจะมีหน้าที่อย่างไรเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาแต่ว่าเขาเป็นอนิจจังเขาก็ไม่เียใจแต่ว่าเขาเป็นนิจจังเขาก็ไม่ดีใจหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปอย่างนั้นเพื่อนั้นเใครที่นิพพานอะไรยะวะ อย่างที่อธิบายมาเมื่อเราพิจิตรเจรนาอย่างนั้นต่างท่านต่างคนก็จะรู้จักเห็นของจิงเกิดขึ้นในจิตของตนจิตเมื่อทุจรณ า, าพอต่อเรื่องของธรรมจะต้องเห็นจิตซึ่งเราไมาเ่เเลิกแต่เก่าก่อนว่าจิตเป็นอย่างไรเป็นนามธรรมซึ่งเรามีใครรู้รจักว่าจิต เป็นหน้าตาอย่างไรนีร้เป็นรูปร่างอย่างไรเมื่อสัญญาละเอียดเข้าไปซึ่งเป็นนามธรรมเหมือนกันโดย่างเห็นประจักษ์แทบเกนจิตที่จะเห็นจิตนั่นแหละเป็นของละเอียดมากหาผู้ใดยางรู้ยังเห็นจิตของตนซึ่งเป็นของละเอียดอย่างนั้นไม่พัวพันกังวลเดียวข้องับเหลืองของถาด ข, ของขัน ท่านต่าวอะเป็นยมุตคือความหลุด อ, ออกไปจากขาดจากขันช่วนธาตขันเป็นอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นจิตของท่านไม่มีอนิจจ์ไม่มีทุกขังไม่มีอนัตตาถ้าหากหรู้จักหรือเห็นชัดด้วยญาณของตนแย่งกระจัดขึ้นอย่างนั้นใจของท่านทุกการทุกเวลาจะอยู่ในโลก อันนี้ก็ไม่มีความเราร้อนไปตามโมกของเขาแต่สมมติมีอย่างไรก่อใชกันไปอย่างนั้นแต่จิตใจของท่านไม่ได้อยู่ในวงสมมติท่านหลุดลอยออกไปจากโมท่านจึงว่าดีมุดดีมโมคือความหลุดความพ้นออกไปใจที่จะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นก็อาศัยคำคำสัำ่งสอนของพระผู้ได้แก ที่ท่านแนะนำคำสอนเอาไว้แล้วนำมาแก้ไขใจใจของตนซึ่งเคยติดของพัวพันในกิเลสปัญหาอายุชาอุปาทานต่างๆเมื่อที่นี้พิจารณาจนถึงที่สุดของมันได้อะอย่างนั้นเรื่องของธาตุของขันธ์เสือนแตจากชัดเจนล่อยไปตามเรื่องของมันนี่เป็นเรื่องธรรม ชัสูงเป็นเรื่องธรรประมัติธรรมของพระพุทธเจ้าท้าหาจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกันกับสมบัติของเศรษฐีมีทุกสิ่งทุกอย่างคนจนมีเงินหายเงินเก็เข้าไปซื้อของเศรษฐีก็มีขายให้คนร่ำคนรวยมีเงินแสนเงินล้านเข้าไปในบ้านของเศรษฐีต้องการอะไรเศรษฐีก็มีขายให้เศรษฐีเป็นผู้มีสมบัติคายนอกอย่างไร ทำคำสั่งสอนซึ่งออกจากข้ออดของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปในเดียวกันกับเกิดผีผู้ที่ต้องการประโยชน์โลกนี้ท่านก็แนะนํำพัมสอนผู้ที่ต้องการประโยชน์โลกน่ะท่านก็แนะนำพัมสอนให้ผู้ที่ต้องการความหลุดพ้นจากโลกท่านก็แนะนํำพันสอนให้เหตุนั้นพวกเราผู้เข้ามาวัดวาศาสนาอุตสาห์ละจิตใจบ้านเรือนมาตั้งทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราโง่หรือเราสลาดก็ให้ที่นี้พิจรารณาดูอย่าจะไปตัณน์ติชมตัณฑ์บุคคลผู้อืน่นให่ทีนี้พิจรารณาวัดกายรายจาน่นใจท้องตนว่าเดียวนี้เราเราเล็กเล็กทิดติดตามเรื่องอะไรเป็นธรรมเป็นดีในหรือเป็นเรื่องของโลกให่ที่นี้พิจรารณาวัดดูจิตใจของเราท้าหาก่ามันหายตายใจในระยะสาติันหันเดียวนี้ จะไปสวรรค์นรกหรือจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือหากว่าเราเปล่าจากความรู้สึกว่าจิตใจของเราไปอยู่สถานที่ใดเมื่อเราไม่รู้จักว่จิตใจของเราใจเลือดิดจิตตามเรื่องอะไรและทั้งเฉดจักตัวของจิตไม่ได้เราก็ไม่แน่นอนว่าจะตายไปถูึงชาทิภพชาติทดทดทดทดอย่างไร เพาใจของเรายังไมแน่นอนเราเข้ามาวัดมาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อจะฝึกจิตของเราให้แน่นอนลงไปตายในการใดสมัยใดจิต ใ, ใจของเราควรทอดลงไว้อย่างไรวางลงไว้อย่างไรไม่เสียทีวิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพระพุทธศาสนาเข้าวัดเข้าวาเป็นอุบาสก อ, อุบาสาิกาเป็นพระที่สืบสามมรรคเคยบวชเรียนเียนอ่านมัน ทีนี้ที่เจริญนาฝึกจิตของตนนำคำคาสคจจั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาฟอกมาําระให้จิดใจ้องตนที่มัวหมองสะอาดออกไปจิตใจของตนที่เคยรุ่มร้อนก็้เยือกเย็นขึ้นจิตใจของตนที่เคยทุกข์ใเกิดสุขขึ้นใจที่เหี่ยวแห้งให้ส่ขซึ้นเบิกบานเพราะการทีนี้ที่เจริญนาทย่อมเห็นผลไป จ, จากชัดเจนเป็นอย่างนั้น เกศนั้นการเขววัดภขวาาาวากนะารจําศีลภาวนาการกระดับจับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหากเราในที่นี้ทุจริตนาติดตามจรีนจังเราก็จะหรูว่าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เรา อ, อย่างไ ร, ราไรหรือหากไร้สาละการฟังคำในสมัยพุทธกาลทำไมท่านถึงเป็นผู้ดีผู้ดีมีแตจิตัญญาละปัญหาอุปาทานออกจากตัวของท่านได้ การทำสั่งสอนทุกวันนี้บันปอมแปลงไปอย่างไรจิตใจเขาปลูกฟังางทำจึงไม่ได้รับความสุขความเยอกเย็นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราจะได้ตัณฑ์ตัวของเรากว่าเป็นคนชั่วคนยังเขา้าไม่ถึงธรรมเมื่อเรายังเขา้าไมสิึงธรรมเราก็ขยับตัวเข้าไปบน่นจนให้ถึงไม่หยุดไม่ถอยละสิ่งที่ชั่วจึงใดมันชั่วเราพยายามละสิ่งใดมันดี พยายามกอบกวยจะทําบําเพ็ญเมื่อทุกท่านทุกคนพยายามจะทําบําเพ็ญคุณงานความดีไม่หยุดไม่ขออย่างนั้นตายท่านต่างคนก็จะได้ไปพบแต่ความสุขความเจริญตามอธิบายธรรมในวันนี้ข้าจะอธิบายไปมากก็เห็นว่าผู้ฟังเหนื่เหนื่อยเหนื่อล้าไปแล้วเหตุนั้นในอวัยวสารการอธิบายธรรมขอความสุข กายสบายใจดวงเกิดมีแก่ฉันนักปฏิบัติทุกข์ทนหน้ากันเชินเอวัง